จเจรนญพรทุกๆท่านหลวงพ่อมาเทศที่นี่ครั้งที่สามแล้วแต่ดูหน้าแล้วก็คือพวกที่ไปตามไปฟังทุกคนทุกแห่งนี้แหละเยอะการภาวนาในภาพรวมก็ดีขึ้นแล้วล่ะเดิมนักปฏิบัตินะก็เพ่งเพ่งเอา ใจมันไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาใจไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานก็ยแยกธาตดแยกขันธ์ไม่ได้นะแยกรูปนามไม่ได้จริงก็ไปเพ่งรูปเพ่งนามอ่ะถ้าเพ่งรูปเพ่งนามมันก็ไม่เห็นไตรลักษณ์สมาธิที่เพ่งรูปเอารูปเป็นอารมณ์ก็เรียอารามณูปนิชฌานเพ่งรูปก็เป็นอารามณูปนิชฌานทําสมถะเพ่งจิต อยู่ที่จิตเอาจิตเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณนุปนิชฌานเป็นสมถะมันยากมากเลยกว่าจิตของคนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงจิตที่ตื่นนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบามีความเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแยดการงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์งานที่ฝึกกันลำบากที่สุดก็คือ การเตรียมความพร้อมของจิตนี่แหละถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมของจิตให้ดีไปเจริญปัญญามันเจริญไม่จริงส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งรูปเพ่งนามแล้วไปคิดเรื่องไตรรักษ์คิดเรื่องไตรลักษ์ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานี่เท่าที่พวกเราฟังที่หลวงพ่อเทศเทศมาพวกเราจำนวนมากจิตมันก็ตื่นขึ้นมามีสมาธิอีกชนิดหนึ่ง สมาธิที่เรียกลักขณูปนิชาติสมาธิอย่างนี้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสามารถเห็นลักษณะคือเห็นความเป็นไจรลักษณ์ของรูปนามได้เราสังเกตดูใจของเราใจของเราเดี๋ยวนี้กับใจของเราเมื่อก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเมื่อก่อนใจเรานิ่งๆนักปฏิบัติก็มีแต่เพ่งให้นิ่งให้เงียบเงียบไหม เวลาจะเจริญปัญญาเขาคิดเอาหรือส่งจิตเข้าไปจ้องตามส่วนต่างๆของร่างกายส่งจิตเข้าไปค้นหาความรู้สึกในใจอันนั้นเนี่ยไม่ใช่การเจริญปัญญาที่แท้จริงยังเป็นการสร้างความปรุงแต่งไม่ได้รู้ทันความปรุกแต่งมากกว่าคนคนหนึ่งนะจิตจะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุด แต่เมื่อเราเข้าสู่ภาวะแห่งความตื่นแล้ว เ, เราสามารถเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจนี้แสดงไตรลักษณ์ได้การปฏิบัติถัดจากนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราเราไม่ได้ทําอะไรรูปนามเขาแสดงไตรลักษณ์ของเขาเองเราไม่ได้ทําอะไรเราเป็นแค่คนรู้คนเห็นเบื้องต้นเราก็หัดรู้สึกตัวให้เป็นก่อน ที่หลวงพ่อดูคร่าวๆนะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้นะเรื่องเรื่องความรู้สึกตัวก็มีส่วนใหญ่ส่วนน้อยไม่รู้สึกเหลือส่วนน้อยที่ไม่รู้สึกพวกที่ไม่รู้สึกมีอยู่สองสามกลุม่มพวกหนึ่งเพ่งเอาไว้นิ่งๆพวกเพ่งให้นิ่งเหลือน้อยละเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีพวกหนึ่งไหลไปคิดเนอะคิดเอาเรื่อยๆใจหนีไป ทำไงใจจะตื่นส่วนใหญ่ตื่นแล้วล่ะแต่ส่วนน้อยยังไม่ตื่นบอกเลิกสอนนิดหน่อยจะได้ตื่นทั่วๆกันใจที่มันไม่ตื่นนะใจมันหลับมันฝันใจมันไหลไปมันไหลไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาตื่นขึ้นมานะตื่นแต่ร่างกายใจมันไม่ตื่นจริงใจมันหลงไปอยู่ในความคิดความฝันเนี่ยเราตื่นนอนปุ๊บเราก็คิดละ ว, วันนี้วันอะไร ต้องทำอะไรบ้างสำหรับคนซึ่งมีธุระจะต้องคิดใจไปอนาคตแล้วอีกพวกหนึง่งก็คิดถึงอดีตลงไปคิดถึงอดีตปัจจุบันนะั้นที่เรามีรูปมีนามรูปนามมันอยู่ในปัจจุบันในอดีตไม่มีรูปนามมันจบไปหมดแล้วมันดับไปหมดแล้วมีแต่ความจำเราจำอดีตได้ อนาคตตอนนี้ก็ยังไม่มีรูปนามรูปนามยังไม่เกิดมีแต่ความคิดล่วงหน้าไปรูปธระทนามธรรมจริงๆอยู่กับปัจจุบันนี้เท่านั้นเองเพราปัจจุบันนั้นมันมีเป็นขณะขณะไปปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงไม่ใช่หนึ่งวันไม่ใช่หนึ่งนาทีปัจจุบันก็คือขณะต่อหน้าต่อ ต, อตาเรานี่นี่คนส่วนใหจนะใจมันจะหนีไปหลง เรื่นเรล่นไปไปอดีตไปอนาคตทิ่ก็ฝันเฟื่องไปเรื่อยๆจะต้องมาฝึกนะค่อยๆฝึกตัวเองร่างกายมันตื่นแต่ใจนะต้องปลุกมันให้ตื่นด้วยเมื่อไรที่เรารู้ว่าใจหลับใจฝันใจจะตื่นใจมจะตื่นอัตโนมัติจิตจะตื่นหรือจิตจะไม่ตื่นเราสั่งมันไม่ได้หรอก จิตเป็นอนัตตาแต่ถ้าจิตมันถูกโมหะครอบงำมันก็ฟุ้งซ่านไปหลงไปหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงไปลิ้มรสไปดมกลิ่นนะไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจในขณะนั้นใจนก็หลงใจไม่ตื่นใจหลงไปนะหลงไปเอาด้วยอำนาจของความฟุ้งซ่าน ควาุ้สั้นไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจพุกสั้นเป็นกิเลสถ้าเมื่อไรเรามีสติเรารู้ทันว่าใจพุกสัน้นเมื่อนั้นความพุกงสั้นจะดับอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะนหน้าที่เราวิธีที่จะฝึกตัวเอง ให้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงใจไม่ไหลไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันก็อาศัยสติรู้ทันเวลาใจมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันหลวงพ่อจะลองหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งนะแล้วพวกเราสังเกตดูว่าใจเราคิดหรือไม่คิดลองไม่คิดดูตั้งใจว่าจะไม่คิดเอลองทดสอบดู คิดไหมตกลงคิดไหมเห็นไหมมันคิดได้เองมันคิดได้เองเราห้ามมันไม่ได้นใจมัคิดได้เองปกติมันคิดทั้งวันมันคิดทั้งคืนแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราก็เลยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าเมื่อไหร่ใจหลงไปคิดเรารู้ว่าหลงไปคิดนะการที่จิตจะหลงจะไหลไปอยู่ในโลกของความคิดก็จะไม่เกิดขึ้นความรู้สึกตัวความตั้งมั่นของจิต ก็จะเกิดขึ้นโดยอันตโนมัติแค่รู้ว่าหลงก็รู้เรียบร้อยแล้วแค่รู้ว่าเผลอไปอยู่ในโลกของความคิดความตื่นก็เกิดขึ้นแล้วความคิดกับความฝันมันนั่นเดียวกันเวลาเราคิดตอนนอนหลับเขาเรียกว่าฝันนะเวลาเราคิดตอนตื่นเราเรียกว่าคิดจริงๆก็คือฝันตอนตื่นฝันกลางวันทันทีที่เรารู้ว่าฝันอยู่ภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดขึ้นมายงพวกเราต้องคอย เตือนตัวเองเรื่อยๆใจหลงไปคิดให้รู้ใจหลงไปคิดให้รู้แต่อยู่ๆมันไม่รู้ก็ต้องซ้อมให้มันรู้ทำไงสติจะเกิดเวลาจิตหลงปุ๊บสติเกิดปับ๊บสติเองก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เราต้องทำเหตุของสติให้มากๆสติถึงจะเกิดเหตุใกล้ของสติเรียกว่าทีระสัญญา ที่จิตจำสภาวะได้แม่นในหลวงพ่อสอนอย่างนี้มานานนะตั้แต่แรกๆกนะคนหัวล่อเลยทีลสัญญาการจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติกลายเป็นว่าไม่ถูกสิอีกนะในอภิธรรมก็สอนไว้อย่างนี้งั้นเรามาฝึกให้สติเกิดด้วยการหัดรู้สภาวะ ถ้าจิตเห็นสภาวะบ่อยๆจิตก็จําสภาวะได้แม่นมันเหมือนเราเห็นคนคนนึงบ่อยๆเราก็จะจําคนคนนั้นได้แม่นนานๆเห็นทีหนึ่งก็จาไม่ได้ถ้าเราเห็นบ่อยๆเห็นทุกวันเลยคนนี้มาปุ๊บนะไม่ทันเห็นหน้าเลยได้ยินเสียงเดินเราก็จําได้แล้วเฮ้ยคนนี้มาแล้วแล้ามาหัดนะต้องมาหัดที่จะให้สติกเกิด สติตัวที่รู้ทันเวลาจิตมันไหลไปเมื่อต้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนให้จิตมีเครื่องอยู่ก่อนถ้าจิตมีบ้านอยู่แล้ววันจิตมันไหลไปจากบ้านมันนีไปจากบ้านเราถึงจะเห็นง่ายถ้าจิตเราไม่มีบ้านอยู่เหมือนคนร่อนเร่อ ย, อยู่ไม่มีที่อยู่เดินไปทางไหนก็ไม่รู้ว่าหนีไปละเพราะมันไม่มีที่สังเกต ให้เราหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะต้องดูตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐ า, านอะไรทางใครทางมันหลวงพ่อไม่เคยสอนนะว่าต้องดูจิตอย่างเดียวเหมือนอย่างคนทั่วๆไปชอบคิดนะว่าหลวงปู่ดูลสอนดูจิตหลวงปู่ดูลสอนทุกอย่างแล้วแต่จริตนิสัยของลูกศิษย์นะฮะหลวงพ่อก็เรียนจากหลวงปู่แต่หลวงปู่สอนให้หลวงพ่อดูจิตเพราะว่าจริตนิสัยมันเหมาะ เวลาหลวงพ่อมาสอนพวกเราเนี่ยไม่ได้บอกให้ทุกคนดูจิตทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดถนัดพุดโทโธก็รู้ท่องพุโทโธไว้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยแต่ไม่ใช่พุโทโธเป็นนกแก้วนกกุนทองเพราะเราจะฝึกรู้ทันจิตที่ไหลไปเพื่อให้สติเกิดเวลาจิตไหลงันเรามาพุโทโธเนี่ยเลาก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไป พุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไหลไปอยู่ในความว่างๆรู้ทันไม่ชอบพุทโธชอบอย่างอื่นชอบหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าก็เห็นไปอย่าไปเพ่งใส่ลมหายใจเพ่งใส่ลมหายใจจะเป็นกระสินกระสินลมจ้องอยู่ที่ลมในสุดลมมันดับกลายเป็นแสงไม่เล่นกสินเนี่ยก็กลายเป็นแสง เป็นปฏิภาคนิมิตนี่เราไม่ได้ฝึกกสินเราฝึกให้มีสติเงั้นเรามาหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปแล้วเวลาใจลอยใจมันหนีไปหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าตอนนี้พวกเราเห็นไหมร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายหายใจอยู่แล้วมีใครไม่หายใจบ้างมีไหมสารภาพมา แอบแฝงมาคนพรลอมปลมาเรียนเนี่ยเรายิ้มเห็นไหมร่างกายมันยิ้มมันอะไรเงี้ยอาศัยการรู้ร่างกายเนีน้ง่ายๆเห็นร่างกายหายใจออกใจเราเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูถ้าใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันใจมันไปเพ่งลมหายใจรู้ทันรู้จักเพ่งลมหายใจไหมใจมันเป็นจ้องอยู่ที่ลม ลืมโลกเลยโลกนี้เหลือแต่ลมหายใจจ้องอย่างนี้ก็หลงเหมือนกันแต่หลงไปเพ่งใจไม่ตั้งมั่นหรอกใจไหลไปใจบางทีมก็ไหลไปคิดนะทีก็ไหลไปจ้องไปเพ่งอารมณ์มเดียวอยู่อันนี้หลงเหมือนกันไหลเหมือนกันแต่อันนึ่งมันเป็นบวกอันนึ่งเป็นลบหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันฟุ้งร้างไปจินากุศล จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมถะนะมันเป็นกุศลได้แต่ไม่ฉลาดนะยังไม่เกิดปัญญะเป็นนิ่งๆเพ่งจ้องไว้เฉยๆงั้นเรารู้ร่างกายที่หายใจออกรู้ร่างกายที่หายใจเข้านะรู้สึกเอาอย่าไปจ้องรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วทำยังไงต่อแล้วรู้ทันจิต เมื่อกี้บอกว่าให้พุโทโธนะพุโทโธพุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งความว่างก็รู้เวลามารู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้บางคนเคยฝึกดูท้องพองยุบแล้วก็คิดว่าดูท้องพองยุบเป็นวิปัสสนาถ้าดูท้องก็เพ่งรูปนั่นแหละเป็นสมถะวิปัสสนาไม่ใช่เห็นท้องวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษ นี่แต่ถ้าเราเคยดูท้องพองยุบ ก, ก็ดูไปแต่ไม่ใช่ดูเพื่อให้จิตสงบอยู่ที่ท้องเราดูท้องพองยุบไปนะถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องให้รู้ทันเนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตมันไหลนะมันจะรู้เองหรือเราเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งร่างกายไปเพ่งเท้ายกเท้าย่างเท้าเห็นอะไรเห็นเท้า เป็นเท้าเป็นอะไรเป็นสมถะนะไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ก็ให้เรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปเพ่งละตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลนะต่อไปรู้บ่อยๆเช่นเราพุโทโธไปหายใจไปจิตหนีไปรู้จิตหนีไป ร, ไ ร, ไรู้จิตไปเพ่งก็รู้ฝึกบ่อยๆจิตจำสภาวะของการเคลื่อนได้แม่นพอเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บรู้โดยไม่ได้เจตนานจะรู้ นี่เรียกว่ามันมีทีรัสัญญานะจิตมันจําสภาวะได้แม่นจําสภาวะอะไรจําสภาวะของความเคลื่อนหรือความฟุ้งซ่านได้แม่นทันทีที่ความฟุ้งซ่านเกิดสติก็จะเกิดเพราะสติมันจําสภาวะฟุ้งซ่านได้จิตมันจําได้ทันทีที่จําได้ความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีความฟุ้งซ่าน เนี่ยเราดูอย่างนี้ฝึกเรื่อยนะในสุดจิตเราจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาตอนนี้พอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วบางคนยังทำผิดอีกคือมันจําได้ว่าจิตผู้รู้เป็นยังไงก็เลยจงใจสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาไม่ได้ทำเหตุไม่ได้ทำเหตุคือการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนแต่อยู่ๆก็ประคองจิตให้รู้ตัวขึ้นมาเฉยๆทาให้ดู เนี่ยจงใจขึ้นมามันจะแข็งแขนะ็งนะใจมจะแข็งแข็งมันจะแน่นๆอยู่หน่อยๆถามว่ารู้ตัวไหมรู้แต่เดินปัญญาไหมไม่เดินทําไมไม่เดินปัญญาจริงมันสามารถเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดดับได้แต่มันเห็นว่าจิตเที่ยงตัวรู้เนี่ยเที่ยงคงที่ทั้งวันทั้งคืนบางคนฝึกมากๆนะคงอยู่ได้เป็นปีเลยนะมันเพ่งอย่าว่าแต่ปีหนึ่งเลย ไปไปเป็นพรมน้ำเพ่งอยู่เป็นกับๆเลยอยู่ในอารมณ์เดียวรู้สึกตัวอยู่งั้นเพ่งเงั้นตัวรู้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีตัวรู้แล้วถูกเสมอต้องสังเกตดูตัวรู้ที่ถูกนะใจจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์หมายถึงอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ส่วนตัวรู้ที่ผิดเนี่ยมันจะแข็งแข็งทื่อๆหนักๆแน่นๆแข็งแข็งทื่อๆนะเกิดจากเราจงใจ ใจมันโลภมันอยากให้รู้สึกตัวมก็เลยปั๊มความรู้สึกตัวขึ้นมาใจแก็แข็งชื่อขึ้นมางั้นเราต้องค่อยๆฝึกนะฝึกไปตามลําดับอย่าจงใจรู้สึกตัวจงใจรู้สึกตัวก็โลภแล้วให้ความรู้สึกตัวเกิดเองเกิดโดยที่มีสติรู้ทันความไม่รู้สึกตัวความไหลไปความห ล, ไมลงไปงั้นทุกวันเราต้องแบ่งเวลานะเอาไว้ซ้อมแบ่งเวลาไว้ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งต้องทำถ้าอยากได้มรรคผลในชีวิตนี้ต้องทำนะถ้าคิดแค่ว่าจะหัดจเจริญสติในชีวิตประจำวันเพื่อจะอยู่กับโลกอย่างมีทุกข์น้อ ย, ยอๆหน่อยมีสุขเยอะเยอไหน่อยไม่ทำก็ไม่เป็นไรยังเวียนว่ายตายเกิดนะแต่ก็ยังเกิดในสุคติได้อยู่แต่ถ้าอยากได้มรรคได้ผลนะ่ต้องทาในรูปแบบไม่ต้องทามาก วันนึงสัก15นาทีนะยางต่ำนะสินาทีไหว้พระสวดมนต์สองสนาทีอย่าอย่าหมดแต่สวดยาวยกเว้นเราจะใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่ของจิตเช่นสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะอาจจะบทเดียวพุโทโธพุธโทโธแค่นี้ก็ได้พุโทโธธรรมโมสังโฆก็ได้นโมตัสสาภะะวะโตอะไรก็ได้นะหรือยาวกว่านั้นหน่อยก็ได้แต่อย่ายาวมาก ส่วนมลไปแล้วคอยรู้ทันจิตไปจิตหลงไปแล้วรู้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้มันส่วนอัตโนมัติพวกเราใครสวดมนต์ทุกวันบ้างยกมือซิสวดด้วยไขสันหลังไหมส่วนอัตโนมัติเมื่อที่ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นนะมันสวดทอมันได้นะปากเนี่ยไม่มีผิดเลยอย่างนี้เรียกว่าสวดสรงเดชนะสวดไม่ผิดเลยใครฟังแล้วก็เลื่อมใสโอ้สวดเก่งจังเราเาใจหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วอย่างนั้นไม่ได้เรื่องหรอก งั้นถ้าเราจะใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่เราก็ต้องมารู้ทันจิตนะสวดมนต์ไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้สวดมนต์ไปจิตหนีไปอีกก็รู้คอยรู้ทันจิตบ่อยๆถึงจะเรียกว่าจิตตะิกขาเรียนเรื่องจิตให้รู้เรื่องอยู่ๆจะไปเจริญปัญญาทําไม่ได้มันต้องเรียนจิตตะิกขาก่อนเรียนเรื่องจิตให้ชำนิชำนาญจนยะทั้งแยกออกนะว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศล จิตที่เป็นกุศลดวงไหนเป็นสาธารณกุศลกุศลธรรมดาหรือเป็นกุศลที่ใช้ทารรสมถะหรือเป็นกุศลที่ใช้เดินมีปัสนาจิตพวกนี้ไม่เหมือนกันหรอกเมื่อเราค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนของเราไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตไว้ต่อไปเราก็จะแตกฉานในจิตของตัวเองจิตเป็นกุศลเราก็จะรู้จักโอ้จิตเป็นกุศลหน้าตาอย่างนี้จิตเป็นอกุศลเป็นแบบนี้ จิตที่ใช้ทําสมถะเป็นแบบนี้จิตที่ใช้ทํำมีปัสฉนาเป็นแบบนี้จิตที่ใช้ทําสมถะ ก, ก็คือจิตที่ไหลไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้บังคับนี่จะไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวโดยไม่ได้บังคับถ้าบังคับอยู่ไม่สงบจริงงั้นต้องเป็นอารมณ์ที่จิตชอบต้องรู้จักเลือกถ้าจะทําความสงบต้องรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานว่าจิตเราเนี่ยชอบ Ariel, อ, อารมณ์อะไรไปอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุข จิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตจะไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นจิตก็จะได้สมถะแต่จิตที่ใช้ทํำมิปัสสนานะจิตมันถอนตัวออกมาไม่ใช่ผู้แสดงอีกต่อไปละไม่ใช่พระเอกไม่ใช่นางเอกอีกต่อไปแต่เป็นคนดูเป็นแค่คนดูดูอะไรดูรูปธรรมทํางานดูนมามธรรมทํางานการทํางานของรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละมันจะสอนไตรลักษณ์เรา นี่บางคนไม่เข้าใจนะไม่ได้ฝึกจิตให้ถูกต้องเอาจิตนี่แหละถล่มเขาไปดูรูปน้ําจิตเคลื่อนไปดูรูปน้ำในนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีจิตส่งออกไปเคลื่อนออกไปจิตไม่ถอนตัวเป็งคนดูถ้าจิตยังไม่ถูกต้องนะภาวนาให้ตายได้แต่ความสงบก็คิดว่าได้ปัญญาด้วยซ้ําไปแต่จริงๆสงบเฉยเฉยไม่เกิดปัญญาตัวจริงหรอกมันล้างกิเลสไม่ได้จริง ปัญญาตัวจริงเกิดนะ้ำมันล้างกิเลสจริงๆนะอย่าถ้าภาวนาไปเรื่อยจะเห็นนะกิเลสถูกล้างไปล้างแบบชั่วคราวก็มีนะล้างแบบถาวรก็มีล้างแบบถาวรต้องล้างด้วยอริยมรรตล้างชั่วคราวนี่เอาสติไปรู้ทันกิเลสกิเลสก็ดับแล้วหรือทําสมาธิขึ้นมานะกิเลสหยาบๆเพื่อดับเหลือกิเลสละเอียด อย่างพระจิตทรงชานเนี่ยไม่มีราคะไม่มีการมาราคะไม่มีโทสะแต่มีราคะละเอียดมีรูปราคะอรูปราคะเพลิดเพลินพอใจติดอกติดใจในความสงบไม่กิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้นไปสติเนี่ยถ้ารู้ทันนะกิเลสดับหมดสมาธิไปรู้ทันบางทีสมาธิเกิดร่วมกับกิเลสได้แต่สติไม่เกิดร่วมกับกิเลส งันต้องระวังมากเลยถ้าล้างด้วยสมาธินะเพราะว่าเมื่อทีนอนจมกิเลสอยู่นึกว่าไม่มีกิเลสดูยากแต่ถ้าล้างด้วยอริยมรรคนะมันมีกระบวนการที่จิตมันล้างเราล้างเองไม่ได้หรอกไม่มีใครสั่งใหอริยมรรคเกิดได้นี่ตั้งแต่เทศมาวันนี้มีแต่เรื่องที่ทําไม่ได้ทั้งนั้นเลยน ะ, ะควบคุมจิตจะไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาต้องมีสติสติก็เป็นอนัตตาอีกสั่งให้เกิดไม่ได้ มีแต่เรื่องไม่ได้ทั้งหมดเลยสุดท้ายยังมีหน้ามาบาอกอีกว่าสั่งให้มรรคผลเกิดก็ไม่ได้ไม่ใช่หลวงพ่อผู้เองนะพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าบอกดูกราบที่สูทั้งหลายนะไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรอกจิตบรรลุเองแต่อยู่ๆจิตจะบรรลุเองไหมเหมือนอย่างสติอ่ะสติต้องเกิดเองอยู่ๆสติจะเกิดไหมสติไม่เกิดจนกว่าจะมีเหตุของสติอราริยมักก็ไม่เกิด ถ้าไม่ได้มีเหตุของอริยมรรคเหตุของอริยมรรคนั้นศีลสมาธิปัญญามันแก่รอบนะสมบูรณ์บริบูรณ์คุณงามความดีทั้งหลายนะั้นมันประชุมลงที่จิตดวงเดียวในขณะจิตเดียวความดีทั้งหลายแหลนะั้นรวมตัวลงในขณะเดียวเกิดเป็นพลังงานที่มหาศาลพราะความดีทั้งหมดนะั้นรวมตัวเข้ามาล้างกิเลสถึงจะล้างได้กิเลสชั้ได้เอียด ตัวสังโยชน์ตัวอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านั้นเราไปหวังยังไม่ได้หน้าทีเราก็คือพัฒน า, าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาไปแต่ตอนนี้หลวงพ่อสอนเบสิกยิ่งกว่ า, าศีลสิกขาสอนให้มีสติถ้าไม่มีสติโอกาสจะรักษาศีลให้ดีนะยากเหลือเกินเป็นไปไม่ได้นั่นเราฝึกสติให้ดี อย่าดูถูกว่าสอนกรรมฐานอะไรต่ำและเกินสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่องั้นเราต้องซ้อมอยู่ๆดีๆมาจุดทูกจุดเทียนเอาทองมาแปะหลวงพ่อขอให้มีสติโง่แล้วละ่ะสติไม่เกิดจากการร้องขอสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้จิตจะจำสภาวะได้แม่นยำก็ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆจิตจะเห็นสภาวะบ่อยๆก็ต้องดูสภาวะบ่อยๆ งั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยทันทีที่รู้ทันน่ะจิตก็จะหยุดการไหลจิตจะตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาจิตดวงนั้นจะมีลักษณะที่เบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้ไม่ขี้เกียจขี้คล้านจิตขี้เกียจขี้คล้านไม่คู่ควรแก่การงานอย่างตัวรู้ปลอมเนี่ยไม่คู่ควรแก่การงานนะทื่อๆอยู่ ไม่คู่ควรกับการงานเพราะมันกำลังลงผิดอยู่นะจิตดวงนั้นไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหนะจิตดวงนั้นเป็นเรียกว่ามหากุศรจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดเองโดยไม่ได้ชักชวนให้เกิดงี่ยเราต้องฝึกเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาก่อนเแบื้อต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้ว ร, รู้ทันจิตจิตนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้รู้บ่อย ในที่สุดสติก็เกิดขึ้นอัตโนมัติในเวลาที่จิตเคลื่อนไปเมื่อสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนการเคลื่อนจะดับอัตโนมัติสมาธิที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นสมาธินั้นมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านน้าใจมันฟุ้งซ่านไปเรามีสติรู้ทันมันความฟุ้งซ่านดับจิตก็มีสมาธิอัตโนมัตินิวรมี5ตัวเป็นศัตรูของสมาธิ นิวรณ์ห้าตัวเอาจริงๆตัวฟุ้งซ่านเนี่ยตัวสําคัญที่สุดเลยมันฟุ้งไปทางตาหัวจมูกลิ้นกายใจแล้วไปเพลิดเพลิน พ, พอใจเรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์ฟุ้งไปแล้วไปปฏิเสธอารมณ์นะเรียกพยาปาทะนิวรณ์ฟุ้งซ่านจับจดในอารมณ์เรียกหูทัตจะเราหงุดหงิดําคาล ร, นะรู้สึกตัวเองไม่ดีสักทีฟุ้งระเกินเรียกกุกกจจะฟุ้งซ่านจับอารมณ์ได้ไม่มั่นฟุ้งมากๆคิดมากสงสัยมาก ลังเลมากเปนวิจิกิจฉาฟุ้งมากหมดเรียวหมดแรงจับอารมณได้ไม่ได้แล้วตอนนี้รู้อารมณ์ได้ไม่ชัดแล้วเลอไปหมดแล้วซึมไม่คล่องแคล่วไม่ว่องไวนะซึมเป็นถีนมิตะตัวหัวโจกของมันจริงๆก็คือตัวฟุ้งซ่านนี่แหละงั้นถ้าเรามีสตินะรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไหลไปมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งยังไงฟุ้งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแหละ แต่ฟุ้งทางไหนมีมากที่สุดฟุ้งทางใจคือฟุ้งไปคิดนี่มีมากที่สุดขนาดหลับตาเอามืออุดูไว้นิ้วหูถูไว้หับตาก็ยังแอบคิดเลยใจจะคิดก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นหลงทางใจนี่มีมากที่สุดเลยงั้นเราเรียนรู้เอาไอ้ตัวที่สําคัญที่สุดเลยจะรู้ทีละหกช่องก็ทําได้แต่ว่าทํายากเอามันช่องเดียวนี่แหละหลงไปทางใจนี่แหละ นั่นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปทางใจรู้ทันจิตหลงไปทางใจหลงวิคิดนะรู้ทันรู้ บ, บ่อยๆต่อไปพอหลงปุ๊บสติเกิดเองเลยทันทีที่สติเกิดจิตไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาแมต้องไม่เจตนานะถ้าตั้งตัวรู้โดยเจตนาตัวรู้ปลอมตัวรู้จะแข็งๆหลายคนนะตัวรู้แข็งๆที่นั่งใกล้ๆผนังเนี่ยใกล้เสาเนี่ยมีตัวรู้แข็งๆ ยิ้มก็ได้นะทำง้อเน่ๆน น, นะแต่ตัวนี้มันมันนิ่งอยู่พอหลงพ่อบอกนี้ท่านั้นแข็งเต็มห้องเลยจิตแข็งแข็งใช้ไม่ได้นะไม่มีมูทุตาไม่นุ่มนวลไม่เบาไม่มีลัหูตาฝึกตัวนี้นะฝึกจนกรทั่ทงจิตไหลแล้วรู้ ก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวแล้วมันได้อะไรต่อไปอย่างทีแรกเราหัดจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่จิตจิตก็จะเห็นเองส ต, ติจะรู้ได้เองราคาเกิดขึ้นสติก็รู้รู้จักราคาไหมใจโลภรู้จักโะโศมไหมเนื่อรู้จักแสดงว่าเคยเห็นแต่ไม่สนใจจะดูเท่านั้นเองเห็นไหมปัญหาเนี่ยถูกหลงพอ่อ ตีวงล้อมมาจนทั่งจับได้แล้วว่าถ้าดูก็ดูได้แต่ขี้เกียจ ด, ดูนะงั้นขยันดูนะต่อไปเราฝึกเวลาฝึกในรูปแบบจิตนี้เรารู้นี้เรารู้ต่ไปอันเนี่ยราคาเกิดก็รู้ได้โทสะเกิดก็รู้ได้เพราะอะไรขนาดโมหะเกิดยังรู้เลยจิตที่ปรุงไปนั่นแหละจิตมีโมหะจิตจะมีราค้าได้จิตจะมีโทสะได้ต้องมีโมหนะกระทั่งโมหะยังรู้เลย แม่เรียนกับหลวงพ่อนะลุยจุดรวบยอดทั้งนั้นเลยเห็นไหมเรียนรู้เรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยเรียนเจนกระทั่งเริ่มต้นก็ดูรู้ทันนะโมหามเลยจิตฟุ้งไปเรารู้มันฟุ่งทางไหนมากที่สุดเนี่ยเล่นมันทางนั้นเองมันฟุ่งทางใจพุ่งไปคิดเห็ น, นไหมไม่ตีวงอ้อมอเสียเวลาเลยนะเรียกว่าลุยกองบัญชาการฆ่าศึกเลยตนะ่อไปราคาเกิดเรารู้ทันราค่าจะดับ เมื่อราคาดับเราจะไม่ทำผิดศีลคนทำผิดศีลได้เพราะราคามันครอบงำหรือโทสะเกิดขึ้นเรารู้ทันนะโทสะจะดับเราจะไม่ทำผิดศีลคนทำผิดศีลได้เพราะโทสะครอบงำอย่างราคาครอบงำเราอยากได้ทรัพ์สมบัติเขาอะไรเงี้ยฆ่าเขาก็ได้ทำร้ายเขาก็ได้ผิดศีลข้อหนึ่งก็ได้ไปลับทรัพย์เขาก็ได้ผิดรูปผิดเมียเขาก็ได้ ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ได้หรือเวลามีราคานะจิตใจก็ดีก็ด่ามีความสุขนะไปกินเหล้าเมายาก็ได้นะมีกิเลสตัวเดียวนะผิดศีลห้ามได้ห้าข้อเลยมีโทสะขึ้นมาก็ไปทําร้ายเขาก็ได้แจ้งเขาทําลายทรัพย์สินเขาเนี่ยแจ้งหลอกลูกหลอกเมียเขาก็ทําได้เห็นไหมแจ้งใส่ร้ายเขาก็ทําได้หรือโทสะครอบงําใจใจเศร้าหมองร่วมใจกินเหล้า ก็ทําทได้อีกกิเลสตัวเดียวนีะพาเราผิดศีลห้าได้หมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่กิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันนะกิเลสจะดับอัตโนมัตินะกิเลสดับแล้วศีลมันอัตโนมัตินะศีลเบื้องต้นนะตั้งใจรักษาตั้งใจงดเว้นการทําบาปอากุศลทางกายทางวาจาหาข้อเอาห้าข้อก็พอแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองศีลข้อหนึ่งมันเบียดเบียนชีวิตร่างกายคนอื่นเขา ศีลข้อสองมันเบียดเบียนทรัพสมบัติเขาเนี่ยทำลายของที่เขารักร่างกายชีวิตของเขาเขารักเราทำลายเขาทรัพสมบัติของเขาเขารักเราทำลายเราไปช่วงจริงลูกเมียเขาเขารักเราไปแย่งจริงมาเห็นไหมชื่อเสียงเกียรติยศของเขาเขาก็รักเราไปใส่ร้ายป้ายสีเขาก็ผิดศีลผิดธรรมเกินขี้เหล้าเมายานั้นทำลายตัวเองทำลายตัวเองเพื่อทําให้สติขาด สติขาดในผิดศินได้ทุกข้อเลยอย่างรวดเร็วเลยงั้นเรามีสตินะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้บ่อยๆเบื้องต้นที่หัดหัดรู้ทันจิตที่ไหลนี่แหละจิตที่ไหลเนี่ยเป็นจิตมีโมหะเป็นพ่อเป็นแม่ของราคะโทสะด้วยซ้ํำไปถ้ารู้ตัวต้นต่อได้นะราคะโทสะไม่มีความหมายเลยแต่ถ้าตรงเคลื่อนไปยังรู้ไม่ทันนะเกิดราคะให้รู้ทัน ราคากระดับถ้าไม่มีราคาโทสะก็ไม่เกิดมันเป็นลูกกันเป็นชั้นๆ น, นะอยากได้อารมณ์นี้ไม่ได้โทสาก็เกิดเนี่คยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปเพราะเรารู้จักอยู่แล้วราคาเป็นไงก็รู้โทสะเป็นไงเราก็รู้ค่อยดูดูไปด้วยสีนอัตโนมัติมันจะเกิดไม่ได้เจตนารักษาสีมันมาเองแล้วตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปสมาธิอัตโนมัติมันจะเกิด เห็ไหมมีแต่เรื่องอัตโนมัติหมดเลยฝึกจนอัตโนมัตินะอัตโนมัติเนี่ยภาษาหลวงพ่อเอามาใช้เพื่อให้พวกเราฟังรู้เรื่องถ้าภาษาปริยัติเรียกว่าอสังคาริกังไม่ได้เจตนาไม่ได้น้มน่าวชักจูงให้เกิดเกิดเองนั่นกุศลที่เป็นอาศังคาริกังเนี่ยเป็นกุศลที่มีกําลังแก่กล้ากุศลที่ต้องบิวนะต้องเชียร์ต้องชักชวนนะเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อน งั้นเวลาสอนเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อสอนแบบดูเดือดเอาจุดยอดๆทางนั้นเลยจิต ท, ที่จะเป็นกูสนก็กูสนอัตโนมัติอีกฝึกให้สติอัตโนมัติฝึกให้สมาธิอัตโนมัติพอฝึกแล้วต่อไปเราเข้ามาฝึกเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นเริ่มต้นโดยการแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนถ้าแยกไม่ได้นะความเป็นตัวเป็นตนมันจะเกิดขึ้นโดยง่ายแท้จริงความเป็นตัวตนไม่มี มันเริ่มจากการที่ไปหมายรู้ผิดผิดเราไปหมายรู้เอาขันห้ามารวมกันเป็นหนึ่งะแล้วก็เรียกว่านี่ตัวเราตัวเราอาศัยหมายรู้ผิดเรียกสัญญาวิปลาสก็เกิดการคิดผิดผิดเรียกจิตตะวิปลาสคิดผิดผิดก็สะสมไปนะเกิดทิฏฐิวิปลาสเกิดความเห็นผิดขึ้นมาเงั้นพวกเราเนี่ยพวกทิฏฐิวิปลาสนะส่วนแจญ่ก็เริ่มมาจากหมายรู้ผิดผิดนั่นแหละเราไปหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยง มายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมายรู้ของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเรามองไม่ออกหรอก ว, ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะขันมันมารวมกันเป็นกระจุกเดียวเป็นก้อนเดียวกันตัวนี้ดับไปอีกตัวอื่นยังอยู่อะไรอย่างนี้นะ <_ s> เกิดดับอยู่งั้นดูยากอย่างในร่างกายเนื้อดูรูปรูปเป็นกลุ่มๆเรียกกลาปะอยู่เป็นกลุ่มๆกลุ่มๆกลุ่มนี้ดับกลุ่มนั้นเกิดเลยเนี่ยมั่วซั่วไปหมดเลยดูยาก เวลอะไรที่มันจับกลุ่มกันแล้วสังเกตยากใครเคยไปปล่อยปลาบ่าเคยมีไหมเคยไปทำบุญปล่อยปลาหรือไปให้อาหารปลาเคยไหมให้อาหารปลาไม่ใช่ตามพระตะคารน ะ, ะให้อาหารอย่างไปตามท่าน้ําของวัดเนี่ยเราซื้ออาหารไปโรยถ้าปลามาตัวเดียวเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าตัวเนี้ยอ่อตัวนี้กินไปห้าเม็ดแล้วถ้าปลามายี่สิบสาสิบตัวตัวนั้นโปรตัวนี้ปุด ดูไม่ออกแล้วสภาวะนี้ก็เหมือนกันต้องฝึกไปจนแยกสภาวะเดี่ยวๆออกมาได้รูปเดี่ยวๆแยกออกมาได้นามเดี่ยวๆแยกออกมาได้แล้วเราจะเห็นไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัว น, วนี้ตัวเดียวนี้แหละเกิดแล้วก็ดับไปถ้ามันอยู่กันเป็นฝูงดูเกิดดับยากมากเลยดูไปดูแค่ดูปลายี่สบสาสิตัวยังนับไม่ทันเลยใช่ไหมตัวนั้นโผล่ตัวนี้โผล่จะนับถูกไหมว่าตัวไหนโผล่ขึ้นกี่กล่าวดูไม่ออกดูไม่รู้เรื่องละ ต้องมีตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยตัวรูปไม่ใช่ง่ายนะพวกเรามักจะได้ยินว่ากายเป็นของหยาบดูง่ายให้ดูกายก่อนดูกายมันดูง่ายแต่ดูรูปมันดูยากในในผมเส้นเดียวนะมีรูปตั้งเยอะแยะในผมหนึ่งเส้นนะธาตุดินก็มีธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุก็มี มีสีมีกลิ่นเนี่ยเป็นรูปทางนั้นเลยรูปแต่ละรูปแต่ละรูปไม่ใช่ดูง่ายๆเพราะฉั้นการดูรูปนั้นถ้าไม่ทรงฌานจริงนะจิตไม่มีกําลังพอไม่มีกําลังพอดูได้แต่รูปโดยอนุโลมเอาเช่นรูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนอันนี้ไม่ใช่รูปแท้เราะฉะนั้นรูปแท้ๆดูยากมากเลยดูให้ถึงธาตุเนี่ยไม่ใช่ง่ายถ้าไม่ทรงฌานไม่เห็นหรอก มันดูไม่ทันเวลาที่จิตเรามีสมาธินะถ้าสังเกตใครเคยฝึกได้ถ้าเวลาจิตสมาธินะคล้ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยจะดีเลยไปหมดเลยความรู้สึกทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในใจเรานะทั้งๆ ท, ที่ชั่วแวบเดียวนะแต่เราจะรู้สึกว่ามันมาช้าๆนะ้าจิตที่ทรงสมาธินะมันจะดูได้ละเอียดยิบเลยจะเห็นน่าจะจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นได้ขนาดนั้นละเอียดขนาดนั้นถ้าจิตมันทรงสมาธิจริงๆ จิตไม่มีสมาธิมดูไม่ทันงั้นจะดูรูปจนถึงแยกธาตุเนี่ยไม่ใช่ง่ายก็มาฐานที่ง่ายสําหรับคนซึ่งทรงฌานไม่ได้ก็คือจิตตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตตานุปัสสนานะในในตำลามีจิตตานุปัสสนเหมาะ ก, กับพวกวิปัสนานายนิกคือเดินวิปัฏนาไปเลยเดินปัญญาไปเลย นะกายานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาเนี่ยหมอะกับสมถียานิกหมาะกัคนทรงฌานนี่ถ้าเราทรงฌานไม่ได้เราดูจิตไปแล้วเราจะเจอสภาวะเชิงเดี่ยวตัวเดียวเดียวง่ายโทสะรู้จักไหมโทสะกับราคะเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นไหมเราแยกได้เราแยกถึงต้นตอมันได้เลยโลภรู้จักนะโลภรู้จักเห็นไหมโลภอิจฉารู้จั ก, จกไหมอิจฉาอิจฉาก็อยู่ในโทสะนะตระกุโทสะซอยย่อยๆลงมาอีก งั้ เ, เราแยกได้ละเอียดยิบเลยสภาวะแต่ละตัวอิจฉากับเซ็งเนี่ยโทสะด้วยกันนะเบื่อเนี่ยโทสะอิจฉากับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันไหมมันซอยเข้าไปได้ละเอียดยิบเลยเราสามารถดูสภาวะนามธรรมานี่นะมันซอยได้ละเอียดยิบอยู่แล้วความสุขรู้จักไหมความสุขความทุกข์สุขก็ไม่เหมือนกับทุกข์ใช่ไหมสุขก็ไม่เหมือนเฉยเฉยทุกข์ก็ไม่เหมือนสุขไม่เหมือนเฉยเยเฉยเก็ไม่เหมือนสุขไม่เหมือนทุกข์ นี่เราแยกเข้าไปจนถึงตัวจริงของมันพอเราเห็นตัวจริงของมันแล้วเนี่ยตัวจริงของมันนั่นแหละสแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วนี่เราจะดูยังไงสภาวะที่เป็นนมามธรรมมีตั้งเยอะแยะนะรูปธรรมรูปมีแค่28ตัวยังดูยากแล้วนะนมามธรรมมีเยอะแยะเลยนะเจตสิกห้ตัวจิตอีกหนึ่งตัวดูยังไง ร, นะรู้จักตัวไหนก็ดูตัวนั้นแหละ ตัวไหนเกิดบ่อยดูตัวนั้นแหละเหมือนอย่างที่พระเจ้าสอนดูครัาภิกสูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเนี่ยพวกที่มีราคะเจออะไรอยากได้หมดเลยใครเป็นพวกนี้บ้างเจออะไรก็อยากได้เจออะไรก็อยากได้มีไหมยกมือให้หลวงพ่อชื่นชมชื่นชมยังไงชื่นชมที่รู้สิทธิ์รู้ทันกิเลสเป็นเรื่องน่าชื่นชมนะเนี่ยถ้าเราเป็นพวกมีราคามากนะเจออะไรก็อยากได้หมดเลยซื้อของไปเต็มบ้านแล้ว ก็อยากได้บ้านใหม่เพื่อจะได้มีที่เก็บของให้มากขึ้นซื้อเสื้อทุกวันเลยเจอกระทั่งไม่เคยซักเลยเนี่ยใจที่ขี้โลภถ้าเราเป็นพวกขี้โลภนะโลบขึ้นมาให้รู้ความโลภหายไปให้รู้นะเหมือนที่พระเจ้าสอนง่ายๆดูขรพิสูทธ์ทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาทําไมต้องดูคู่คู่ดูคู่คู่เนี่ยมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดู ดูคู่เดียววันนี้แหละพอเมื่อคนไหนขี้โลภนะใจอยากขึ้นมารู้ทันใจอยากขึ้นมารู้ทันก็จะเห็นว่าจิตนี่มีสองอย่างเท่านะทั้งวันคือจิตที่อยากกับจิตที่ไม่อยากมีสองอย่างเองจิตที่อยากกับจิตไม่อยากจิตที่ไม่อยาก อ, อาจจะเป็นจิตเฉยๆก็ได้นะอาจจะเป็นจิตโกรธก็ได้จิตที่โกรธนะ่ะไม่ได้มีโลภโกรธกับโลภไม่เกิดพร้อมกันแต่โลภกับหลงโกรธกับหลงเนียเกิดพร้อมกัน ถ้าคนไหนขี้โมโหวพวกเรายกมือซิคนไหนเป็นคนขี้โมโหโยกมือหัวหนาแน่นมากกว่ารอบแต่เป็นปกตินะในตำรา ห, หรือครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกนะมันแสดงพื้นเดิมของจิตนะถ้าพวกขี้โทสะเนี่ยส่วนมากมาจากนรกท่านว่างั้นนะยกมือมาอีกทีสิสมาชิกเก่า ถ้าเราเป็นพวกโทษมากกรรมฐานที่หมองเราก็คือจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเล่นมันคู่เดียวนี้แหละนะเล่นตัวที่เกิดเยอะที่สุดเห็นไหมยังเมื่อกี้หลวงพ่อสอนให้ดูจิตที่ไหลจิตไหลทางไหนเยอะที่สุดไหลไปคิดเยอะที่สุดคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยเวลาที่เราจะหัดดูจเจริญปัญญาโดยการดูจิตดูใจเนี่ยถ้าเราเป็นราคาเยอะ เราเอาราคาเป็นหลักเห็นเลยเดี๋ยวจิตมีราคาเดี๋ยวก็ไม่มีราคาคนไหนขี้โกรธเดี๋ยวจิตโกรธเดี๋ยวจิตไม่โกรธสลับกันทั้งวันเราจะเห็นนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่โกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตที่ไม่โกรธเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวพอมีการกระทบอารมณ์ใหม่โกรธอีกแล้วจิตที่เฉยเฉยไม่โกรธหรือจิตที่โลภก็ดับไปกลายเป็นจิตที่โกรธขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะเห็นนะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา ต่อไปจะเห็นจนชนานาญขึ้นเราจะเห็นมันมีช่องว่างมาขั้นระหว่างจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันมันขาดออกจากกันไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่จิตดวงเดิมที่โกรธแล้วก็เลิ่กโกรธแต่มันเป็นว่าจิตดวงหนึ่งที่โกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตดวงที่ไม่โกรธเกิดขึ้นแล้วไปรู้ว่าจิตตะกี้เนี่ยโกรธจะรู้อย่างนี้นะ จะเห็นนะเกิดดั บ, ดบเกิดดับเกิดดับไปเ้วย<ๆ>งั้นเราไม่จําเป็นต้องรู้อะไรเยอะหรอกเราขี้โลภเราก็เห็นจิตโลภกับจิตไม่โลภเราขี้โกรธเราก็เห็นจิตโกรธจิตไม่โกรธด้วยอย่างนี้แหละส่วนขี้หลงหลงพ่อไม่ถามหรอกนะมันรอบได้โกรธได้ก็พ่อหลงถ้าไม่หลงไม่โลภไม่โกรธหรอกแต่ยุคนี้นะน่าเสียดายมากเลยพวกเรามีอุปกรณ์เพิ่มความหลงคือไอ้พวกเนี้ยนะ ลำพังเขาไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วนะ <c oughs> เห็นแล้วอานาถมากเลยหลวงพ่อไปมาหลายประเทศนะประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยพลเมืองเขาไม่ทำอย่างนี้พละเมืองเขาทำมาหากินนะประเทศต้อยพัฒนาเนี่ ย, ย ม, มีหลายอันก <c oughs> วา่า น, นี้อีกนะ ทำลายหมดนะสติสเตอไม่มีเหลือหรอกแล้วฟุ้งสัานแหลกลานไปเลยธรรมดามก็ไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วนะงั้นพยายามมีวินัยในตัวเองถ้ามันอดไม่ได้มันเสพติดจะเล่ น, นก็มีวินัยบ้างเล่นเป็นเวลาเล่นเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอย่างเงี้ยนะอยากเล่นเนี่ยให้มันเอาให้เก็ดเลย <c oughs> ต้องฝึกนะต้องฝึกชีวิตคนเราเนี้ยสั้นนิดเดียว ไม่นานก็ตายแล้วล่ะถ้าตายแล้วเนี่ยไม่มีหลักประกันว่าจะได้เกิดมาเป็นคนอีกเกิดมาเป็นคนแล้วก็ไม่มีหลักประกันว่าจะเจอพระพุทธศาสนาเอย่าหลวงพ่อไปสอนหลายประเทศนไปเห็นเห็นมานะน่าสงสารคนต่างชาติต่างศาสนาเขาอยากเรียนแต่เขาไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเลยน่าสงสารมากเลยแต่ถามว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดี ดีกว่าคนของเราบางคนซะอีกของเราคนไทยยุคนี้ศีลธรรมเสื่อมมากเลยไม่เราเทียบใครนะเทียบแบบพมา่าคนพมา่ายังเป็นชาวพุทธมากกว่าคนไทยนะคนไทยมีแต่เหลือกแต่ไม่แทบจะไม่เหลือความเป็นพุทธอยู่แล้วดูสิเนี่ยวันนี้ที่พุทธเหลืออยู่แค่เนี้ยเทียบกับคนข้างนอกคนข้างนอกเยอะแยะเลยคนที่สนใจการปฏิบัติมีไม่มากมีไมาทิงมาเรียนกรรมฐานจริง ไม่กี่ร้อยคนเองนะเราไม่รู้ว่าต่อไปเราจะได้ยินได้ฟังธรรมะหรือเปล่าตอนนี้ได้ยินแล้วได้ฟังแล้วลงมือปฏิบัติได้แล้วเมื่อต้นตั้งใจรักษาศีห้าไว้ก่อนแล้วฝึกสติไปต้องตั้งใจรักษาศีห้าไว้ก่อนนะป้องกันตัวไม่ทํ้ทชั่วลายแดงแล้วฝึกสติพุโทโธพุโทโธจิตไหลแล้วรู้หายใจไปจิตไหลแล้วรู้ไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้นะ เนี่ยฝึกไปเรื่อยแล้วศีลสมาธิอะไรจะเกิดพอใต้สมาธิแล้วก็มาแยกแยกขันดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูค่อยฝึกไปนะง่า ย, ายๆค่อยๆฝึกไปแล้วพวกเราพวกคิดมากเนะี่ยควรจะดูจิตดูใจก็ดูไปมันจะดูง่ายนะไม่ได้ทรงฌานจริงก็ดูดูจิตไปถ้าทาได้อย่างนี้นะใช้เวลาไม่นาน หลวงพ่อกล้าพูดคำว่าไม่นานพูดอย่างนี้มานานแล้วล่ะก็ยังพูดอยู่ว่าไม่นาน <c oughs> คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะรุ่นแรกๆนะใช้เวลาเยอะรุ่นหลังๆเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือนแยกขันได้ละเยอะแยะเลยฟังซีดีไม่เคยเจอหลวงพ่อด้วยซ้ำไปดู u t u b บดูอะไรนะแยกธาตุแยกขันนะชานิชานานเลยเห็น ขันแสดงไตรลักษณ์ละแต่ละขันแต่ละขันแต่ละสภาวะรูปธรรมแต่ละตัวนามธรรมแต่ละตัวแสดงไตรลักษณ์เห็นได้ในเวลาอันสั้นทําไมพวกที่เรียนเก่าเก่ารู้ได้ช้ากว่ามไหลปัจจัยนะอันแรกๆพวกนี้รู้จักตั้งแต่หลวงพ่อ ย, ยังไม่บวชก็คนเหมือนๆกันละ ว, ว่ากระทบไหลกันมาจะแน่สักแค่ไหนพอรบอกให้ทําอะไรก็คิดมากไม่ค่อยดูหรอก สู้พวกมาทีหลังไม่ได้เจอหลวงพ่อเป็นพระแล้วบอกให้ทำอะไรก็ดูไปนะแปบ๊บเดียวก็เป็นอีกพวกหนึ่งนะเป็นพวกชอบเขวัดพวกที่มาเรียนกับหลวงพ่อรุ่นแรกๆนะชอบเขวัตติดเพ่งมาแทบทั้งนั้นนะเพลงพวกนี้บางคนก็แก้ได้มังคนก็แก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปนะพวกที่มาทีหลังเลยได้เปรียบอีกปัจจัยหนึ่งก็คือหลวงพ่อสอนแรกๆนะหลวงพ่อต้อง เกรงใจคนเยอะพูดอย่างนี้เดี๋ยวกระทบสํานักนี้พูดอย่างนี้เดี๋ยวกระทบสํานักนี้เลยกล่อมๆแกล้มๆไปนะพวกเราไม่ชัดฟังเราแยกไม่ชัดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเกรงใจใครแล้วพูดตรงๆอะ่ะอย่างนี้สมถะก็คือสมถะอย่างนี้เอาไว้ทําวิปัสสนาก็คือวิปัสสนามันไม่ต้องปณีปนอมเราะฉะนั้นพวกที่เรียนทีหลังเนี่ยได้เกลียด หลายเงื่อนไขเลยนะพวกที่มากเก่าๆก็กอย่าเสียใจไปเลยคงอยากกำบันดาลให้ต้องเรียนนานนะแต่อย่าให้ถึงขนาดหลายหลายชาตินะค่อยๆดูไปตั้งใจรักษาสีห์ห้านะตั้งตั้งสัจจะ ก, กับตัวเองเมื่อกี้ขอสีหห้าจากครูบาอาแล้วใช่ไหมใครขอแล้วบ้างยกมือเซใครจะคืนแล้วบ้างบอกมา พวกเราอะไม่ค่อยเห็นคุณค่านะเราของ่ายไปดย๋ยวพวกเราพูดทางสนานาังคาชามิพูดเป็นเล่นคนต่างชาตินะถ้าพูดพูดทางสนนังคาชามิคือเปลี่ยนศาสนาขอเป็นชาวพุทธละของเราเป็นชาวพุทธมาแต่เกิดามาท่องหาอะไรไม่รู้พูดทางสนนังคาชามิควรจะเป็นอยู่แล้วไม่ต้องให้ใครเขาบอกหรอกมันต้องเป็นด้วยตัวเองอยู่แล้ว ที่เขาต้องบอกพระอะไรทำไมพระต้องบอกเขาบอกคนต่างศาสนาให้รู้จักมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเขาก็เชื่อเขาก็ยอมตัวเป็นชาวพุทธปฏิยานตัวขก็เราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วเออเราก็พุทธทางสรารนังกันใหญ่ขอศีลห้าทำไมต้องขอที่พระไม่รู้หรือว่าศีลห้าเป็นยังไงมันอยู่ที่ตั้งใจถือเอานะถ้าเราไม่จริงใจกับธรรมะ เราก็ไม่ได้ธรรมะของจริงหรอกน ะ, ะจบแล้วละเกินไปห้านาทีเสียมารยาทนิดหนึ่งก็ขอด่าส่งท้ายหน่อยนะชอบขอศีลแล้วก็ทิ้งไม่เอาจริงตั้งใจนะตั้งใจถ้ามีหูมีตาแล้วจะรู้นะน่ากลัวมากเลยนะไอ้พวกผิดศีลนะน่ากลัวนี่เราไม่มีหูมีตาเราก็ไม่กลัวนมาสการ์ค่ะ ช่วงนี้หนูเวลาเดินจงกรมอะค่ะจิตมันเหมือนวุบลงไปบ่อยๆนั่งนั่งอยู่ก็วุบวุบว บ, บเหมือนโอ้จิตมันเป็นสมถะไม่เป็นไรนะค่ะมันวุบให้มันวุบไปแล้วมันขึ้นมาก็มีสติต่อค่ ะ, <น>ะก็หนูปฏิบัติในรูปแบบทุกวันค่ะถ้าหนูมีอะไรที่ติดขัดอหลวงพ่อเอางั้นเลยหรอ <c oughs> <c oughs> จิตถึงฐานหรือเปล่า ตอนนี้ไม่ถึงค่ะจิตไม่เข้าฐานนะจิตมีแรงหรือไม่มีแรงไม่มีแรงค่ะไม่มีแรงเห็นไหมเกิดจากอะไรไม่ทราบค่ะนะเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนิดหนึง่งนะเพิ่มสติเพิ่มความเข้มของความรู้สึกตัวขึ้นนิดหนึง่งนะถ้าเรารู้ตัวไปเรื่อยแล้วใจมันเอื่อยเอื่อยไปนะอ่อยอ่อยเอื่อยเอื่อยเยเฉยไปไม่จะไม่มีแรงนะเราใจให้มันเข้มแข็งขึ้นหน่อยหนึ่งทีดเดียวแหละห้ามเรามากนะเรามากอีกเครียด ใช่ที่มันเวลานั่งๆแล้วเออ เ, อ, อ, เ อ, อไปอย่างงี้เออนั่นแหละมันเออนะทําให้ไม่มีแรงค่ะนั่นเราเพิ่มสติขึ้นนะมันเออเอกินกราบนมัสการเจ้าค่ะเออคพักนี้แบบว่าจะติดลมหายใจไงหลวงพ่อนนพ่อบอกว่าให้หายใจออกจะต้องอย่างนั้นก่อนแล้วค่ถึงจะทําต่ออืมอืมว่าอะไรนะติดลมหายใจอ่ะค่ะมีติดลมติดลมไม่ดี อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้โกรธนะฮะแบบว่าเหมือนกลวงพ่อบอกว่าให้หายใจออกก่อนแล้วค่อยทําต่อก็จะรู้สึกว่าเออมันจะง่ายขึ้นใช่สิถ้าเริ่มต้นหายใจเข้านะมันจะเครียดค่ะพอเริ่มต้นหายใจเข้ามันจะเกร็งนะใช่ค่ะพอแข็งได้ที่เขานี่โอ้ใช่ใจะแน่นถ้าอยนกจะจะแน่นนะลองหายใจออกก่อนเลยถ้าสูงก็ในปอดมีลมอยู่นิดเดียวก็ออกนิดเดียวไม่ต้องออกเยอะหรอก ไม่อบอกว่าหายใจออกแล้วก็เรู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นก็ง่ายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกแล้วก็ชีวิตประจําวันก็จะรู้สึกตัวได้มากขึ้นจิตถึงฐานไหมไม่ถึงไม่ถึงให้รู้ทานนะตัวนี้ตัวร้ายเวลาถ้าจิตเราไม่ถูกเนี่ยมันเดินปัญญาต่อไม่ได้มันสบายอย่างเดียวจะมีแต่ความสุขเฉยๆแล้วต้องทํายังไงถึงจะถึงฐานเนี่ยคะให้รู้ทานที่ไม่ถึงไงสอดต้องนานแล้ว จิตหนีเราดูหนีเราดูฝึกนะไม่ได้ฝึกหายใจไปแล้วก็ใจสงบใจสงบเรื่องง่ายใช่เจ้าแต่ก่อนจะติดสงบได้แต่สงบอย่างเดียวมไม่ไม่ได้อะไรมันไม่เดินปัญญาหรอกนะ้ค่นี่หายใจไปเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูน ะ, ะแล้วถ้ามันเบลอไปก็เพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นหน่อยเล้า ค, ความรู้สึกขึ้นนิดหนึ่งดูใหม่แล้วหลังๆนี้ก็ไม่ต้องสวดมนต์มากอย่างอย่า ง, างหลวงพ่อบอกคือสวดมนต์เยอะๆก็ไม่ได้ช่วยอะไร หลวงพ่อสวดมนต์เยอะนะนะคะอย่างนี้ต้องให้หลวงพ่อสอนสวดวันนึงเนี่ยสวดสักสองชั่วโมงได้ก็คือยังควรจะสวดมนต์ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะสวดมนต์ก็ได้สมาธินะเทวดาก็ชอบฟังนะอสวดมนต์ควรจะออกเสียงด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะออกได้ก็ดีถ้าพอแหบพอแห้งก็ไม่ต้องออกถ้าคนอื่นเขาหนวกหูก็อย่าออกเดี๋ยวเขาเป็นอาภูส่วอนะเราสวดในใจเราสวดยาวไม่ได้เอาพุทโธพุทโธไปก็ยังดี ก็จะสวดทั้งบทไทยบทจีนอย่างนี้ยค่ะก็จะต่อด้วยบทจีนบทแขกบทอะไรได้บทชื่อไต่ปุยก็จะต่อได้คิวโขคิวหลักอะไรกว่าไปเหอะนะขอบพคุณเจ้าค่ะแล้วรู้ทันจิตแล้วนะกลับนมัสการกลับหลวงพ่อส่งกันบ้านของตั้งแต่สระลุงชินเมื่อหกเดือนที่แล้วครับผมเห็นไหมว่าใจตอนนี้กับแต่ก่อนต่างกันต่างกันครับเห็นไหมว่ากายกับใจคนละอันครับเออขันมันแยกเป็นแล้วล่ะแล้วสงสัยอะไร จริงๆแล้วไม่ไม่มีอะไรทีสงสัยนะครับทาถูกแล้วครับคือว่าคือคือในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันรู้สึกว่าจิตมันมันมันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนแบบมันรู้มันรู้อัตโนมัติของมันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยครับเออที่หลวงพ่อสอนแล้วบอกต้องอัตโนมัตินะแล้วบางทีมันมันรู้สึกลาคาญเออโทรศัพแท็กแล้วพื้นเรามันขี้โมโห บางทีบางทีมันมีตัวเห็นเห็นราคะเห็นกิเลสรุนแรงมากแล้วรู้สึกว่าลายการดมดูอย่างนี้นะมันไม่ใช่เราดูในมุมที่มันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นเองมันมาเองมันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าดูมันมุมเนี้ยมันสิ้นทิศเลยดูอนัตตาไว้ครับต้องดูอนัตตาเหมาะกัจจริทธิ์นิสัยแรกเลยเป็นโทสัจจริต พวกโทรศาเนี่ยปัญญามักจากล้าพวกเนี้ยดูอนัตตาถึงลงดูอนิจจังยิ่งโมโหหนักกว่าเก่าอีกใช้ได้นะวันนีดีขึ้นับกเดือนนี้ไม่เสียเปล่าใช้ได้คราวที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าไม่ควรจะบริกรรมเพราะว่าจะทำให้โมโหอะครับก็เลยกลับไปทำในรูปแบบโดยการเดินจงกรมแบบเงียบๆก็คือเดินเฉยๆแล้วก็ดูกายอะไรเงี้ยครับ ปรากฏว่ามันจะมี2อย่างอย่างแรกก็คือมันจะเผลอแบบไปใช่ไหมครับกับอย่างที่สองก็คือเหมือนกับโดยปกติเนี่ยเป็นคนที่ฟุงฟุงซ่านเป็นพื้นไงครับหลวงพ่อแล้วบางทีมันมันไม่ดับเราก็ดูฟุงซ่านไปแบบก็ก็ฟุงฟุงก็ฟุงก็เดินไปทางฟุงฟุงกันได้ไหยครับดูอย่างนี้สดงว่าเวลาสภาวะเกิดนั้นมันฟุงซ่านขึ้นมานะใจเราลาคาญนะครับให้รู้ใจเนี่ยอย่าไปดูที่ฟุงครับ ให้รู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจการภาวนานะถ้าเข้าถึงใจเนะความปรุงมันจะขาดไปหมดครับควรจะมีอะไรก็นี่งไงดูกลับมาให้ถึงใจใช่ไหมมันฟุ้งซ่านปรุงอยู่ตั้งชั่วโมงแล้วเนี่ยให้ย้อนมาดูใจเลยใจไม่ชอบครับให้รู้ตรงที่ไม่ชอบเนี่ยถ้าเข้ามาตรงนี้ขาดเลยนมาสการเจ้าค่ะอกลัวไหมกลัวก<ฮ>ลัวให้รู้ว่ากลัวเออ มีปัญหาเรื่องวิหารธรรมเจ้าค่ะหนูรู้สึกหนูสะเปะสะปะนะคะให้มันเด็ดเดียวนะเรามีวิหารธรรมเพื่อจะรู้ทันจิตถ้าวิหารธรรมของเราสะเปะสะปะเราจะรู้ทันจิตยากวันนี้พูดโธวันนี้หายใจวันนี้พองยุบอะไรที่มั่วไปหมดนะจะรู้ทันจิตยากดงนั้นที่เรามีวิหารธรรมนะเพื่อจะได้รู้ทันเวลาจิตมันหนีของหนูเวลาหนูเผลอเผอมันจะชอบอิติปิโสเองเย่างนี้ได้อิติปิโสก็สวดไป แต่มันต้องเพอเพเหมือนกับหนูหนูสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีอิติปิโสขึ้นมาเองเอ อ, อถ้าใจมันชินอิทธิปิโสก็อิทธิพิโสไปอิทิพิโสแล้วใจมีความสุขก็รู้อิตธิพิโสใจสงบก็รู้อิทธิพิโสแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้อิตธิปิโสแล้วรู้ทันใจไปแล้วบางทีทํารูปแบบหนูอาจจะไม่ได้ทําทุกวันแต่บางครั้งเวลาหนูหนูจะทำส่วนอิทธิพิโสเนี่ยก็รูปแบบเวลาหนูจะนั่งสมาธิอะไรมันชอบแน่นขึ้นมาเลยนั่นแหละมันจงใจมากไป มันแน่นเพราะว่าจงใจงั้นสวดดีๆวิโสก็ได้ถ้าชอบก็สวดไปแล้วหนูมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมคะโดยจริงๆก็ดีขึ้นแล้วล่ะรู้สึกตัวไหมรู้ค่ะเออมันก็ค่อยพัฒนานะมันไม่ได้ขี้โมโหไม่ได้ฝึกให้ไม่ขี้โมโหขี้โมโหแต่หนูเห็นนะเวลาะขี้โมโหมันมันรักตัวเองเออดีที่เห็นไม่ได้ฝึกให้มันไม่ให้โมโหนะ ฝึกให้เห็นว่ามันจะโมโหก็โมโหเองและโมโหก็ไม่เที่ยงและฝึกอย่างนั้นแหล ะ, ะต้องมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วลูกทานจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะจิตถึงยังมีพลังตอนนี้จิตไม่ค่อยมีแรงนวัสการค่ะหลวงพออ่อเอได้มีโอกาสปฏิบัตินะคะในชีวิตประจําวันแล้วก็ได้สวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิบ้างที่บ้านนะคะ อยากจะเป็นครั้งแรกที่มาส่งการบ้านกับหลวงพ่อค่ะอยากอยากจะถามว่าที่ตัวเองปฏิบัติอยู่อะค่ะเป็นยังไงบ้างถูกต้องตรงทางหรือเปล่าแล้วก็ให้หลวงพ่อช่วยช่วยแนะนำนะค่ะปฏิบัติถูกแล้วล่ะเห็นไหมว่ากายกับใจคนละอันกันเห็นค่ะโอแยกรูปนามได้ละเห็นหมถ้ากายกับใจคนละอันสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่ใจเป็นของที่มาแล้วก็ไปอยู่ต่หากค่ะ ฝึกอย่างนั้นแหละแล้วเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปค่ะเห็นเราต้องการให้เห็นตรงนี้แหละให้เห็นเลยทุกอย่างมาแล้วไปมาแล้วไปจนวันหนึ่งนะจิตยอมรับความจริงเมื่อสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้ายอมรับความจริงตรงนี้ก็เข้าถึงธรรมะที่ฝึกแทบเป็นแทบตายก็เพื่อให้จิตมันยอมรับความจริงเท่านั้นะจิตเรามันไม่ยอมรับความจริงกันมันถึงทุกข์อย่างเรายอมรับไม่ได้ว่าต้องแก่นะถ้าแก่แล้วก็ทุกข์ยอมรับไม่ได้ว่าจะต้องเจ็บต้องตายก็เลยทุกข์ ยอมรับไม่ได้ว่าต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักนะก็เลยทุกถ้ายอมรับได้มันก็ไม่ถูกแล้วค่ะที่ที่ปฏิบัติอยู่คือถามว่าเห็นเกิดดาบชาัดไหมคือยังไม่ชัดอาหาไม่จะเป็นปฏิบัติไปเรื่อยๆทำเท <ๆ S 1> <ด>่า <อะ S 2> ที่เห็นเท่าที่เห็นได้อย่าจงใจให้เห็นนะอยากเห็นชัดๆจะกลายเป็นเพ่งหลวงพ่อมีอะไรแนะนําว่าต้องไปทางไหนอะไรเป็นตั้มสม่ําเสมอนะแล้วก็อย่าใจร้อนมากขี้มโมโหไปหน่อยนะใจร้อน ใจเย็นๆการภาวนานะมันเหมือนงานศิลปะเลยเหมือนเราเป็นช่างแกะสลักไม้หรือแกะหินเป็นพระพุทธรูปนะค่อยๆแต่งค่อยๆทําไปถา ใ, ใจร้อนเดี๋ยวพระจะมุกแหวงขอบคุณมากค่ะกาบนมัสการพ่อครับส่งการบ้านครั้งแรกครับ อ, อ, อยากทราบหลงพ่อว่าขณะนี้ยที่รู้สึกตัวอยู่เนี่ยครับรู้สึกตัวได้ถูกหรือเปล่า ขณะนี้เหรอไม่ไม่ใช่ครับที่ที่ปฏิบัติมานะครับที่เวลากิเลสเกิดรู้ทันไหมรู้ครับเออสีดีขึ้นไหมดีขึ้นก็ ด, ดีขึ้นใช้ได้นะก็เรียกว่ามาถูกทางแล้วแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นไหมหรือหลัออนอนรู้สึกตัวนี่ส่วนใหญ่จะเห็นกายมากกว่าครัถ้าเห็นกายถนัดกายดูกายเลยนะเห็นกายมันหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูถนัดกาย<บ>เอากายครังที พอให้ดูจิตจะไม่เห็นจิตนะครับไม่จําเป็นนะทางใครทางมันครับถนัดกายก็ดูกายแต่หลวงพ่อนถนัดจิตครับตอนเด็กๆ ด, ดูกายนะคเคยดูเหมือนกันดูนาทีเดียวก็ระเบิดหมดแล้วไม่มีให้ดูกลายเป็นแสงแล้วหายไปเหลือแต่จิตตรงเดียวรู้สึกโอ้ไม่รู้จะพอนาไงไม่เจอหลวงปู่ดูลทัทธิให้ดูจิตสนุกฮะจิตเราทำไมวิจิตพิสดารนักแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะไม่เคยเหมือนกันเลย มันอยู่กับเรามาแต่ไหนแต่ไรทําไมเราไม่รู้จักมันสนใจก็เลยดูจิตนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันดูกายก็ใช้ได้แต่ดูกายเข้าใจเป็นคนดูใช่ไหมใช่รครับรู้สึกแม่กายกระเจิดมนก็ละนครถ้า แ, แยกอย่างนี้ก็ใช้ได้ละครับแล้วก็ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอครับดูได้ถ้าใจฟุ้งซ่านขึ้มนมาก็ทําความสงบเข้ามาครับดูกายก็ต้องอาศัยสมาธิช่วยนิดหน่อยครับนะอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปบ้างเป็นช่วงๆ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่กับลมหายใจครับได้คราวนี้ไม่แน่ไม่ไม่แน่ใจว่าพออยู่กับลมหายใจแล้วมันเพ่งเราทําสิเพ่งอ่ะมันเริ่ม<ช>มันเริ่มได้แต่บังคับดึงเข้ามาแล้วรู้สึกไหมรวบเข้ามาทําหน้าให้ดูนี่แล้วก็คงที่อยู่อย่างนี้แล้วเอออย่างนี้ไม่เอาตอนนี้หายใจไหมหายใจครับหายใจอยู่แล้วก็รู้ไปเลยครับะไม่ต้องไปดึงเข้ามาถ้าปรับตรงนี้แล้วจะหายใจสบาย เพราะสบายสมาธิจะเกิดะใช้เวลานิดเดียวสมาธิก็เกิดแล้วแล้วรู้ทันไหมเวลาจิตมันหนีไปคิดเวลาคิดรู้บ้างครับเวลาเราหายใจไปจิตไหลไปคิดเราก็รู้นะครัฝึกไปเรื่อยอันนี้เวลาเวลาเห็นจะเห็นพวกหุดหงิดโมโหอะไรเงี้ยจะเห็นหุดหิดมากกว่าครับแต่ถ้าเกิดเผลอหรือว่าคิดอย่างเงี้ยจะไม่คยเห็นเท่าไหร่เผลอเป็นโมหะดูยากครับหุดหิดเป็นโทสะดูง่าย ก็ทำการบ้างคือทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆรู้กาย <tim. S 1> ะะไปนะแต่อย่าไปเพ่งกายครับรู้ลมหายใจแต่อย่าไปเพ่งลมหายใจอย่าไปบังคับจิตครับ <Blessed> นะให้รู้จิตอย่างที่จิตเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นไม่บังคับมันนะครับขอบคุณครับ <spe> er กรรมนักมัสการหลวงพ่อใช่ไหมคือโยมปฏิบัติมาแล้วก็มีอยู่วงครั้งหนึ่งที่ว่าจิตมันรวมแล้วก็ จิตอะไรนะจิตมันรวมนะคะออแล้วก็เห็นหัวใจออกมาข้างนอกเออแล้วมันก็เห็นมั่นเฉยๆนะคะเออแล้วมันก็ค่อยๆเข้าไปเออแล้วมันก็เป็นปกตินะคะเรื่องของสมาธินะสมาธินะค ะ, ะ, คะแล้วโยมปฏิบัติถูกต้องไหมคะก็ถูกสมาธิถัดจากนี้ค่อยแยกนะเห็นไหมว่าร่างกายหัวใจไม่ใช่ตัวเราค่ะใช่ไหมมันอยู่ต่างหากนะ ค่ะใจเป็นคนดูค่ะเพราะงั้นเราเดินจากกายเนี้ยค่ะเราเคยฝึกมาทางกายค่ะพอทําสมาธิจิตรวมปุ๊บมันแยกกายให้ดูค่ะนะนั้นเราดูไปเรืยหัวใจเต้นทุบๆมันเต้นของมันเองมันไม่ใช่เราหรอกค่ะร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เราดูมันอย่างนี้เรื่อยไปเลยค่ะใช้ได้และโยมต้องมีอะไรที่เืิ่มเติมไหมคะอย่าใจร้อนจะเอาวันสองวันไม่ได้หรอกอยากเร็ว ใจเย็นๆบอกแล้วภาวนาต้องใจเย็นนำมันสการครับหลวงพ่อก็ดูกายดูใจมาเรื่อยๆก็ดีนะหงุดหงิดเหมือนเดิมไม่ได้ฝึกให้หายงุดหงิดนะเห็นไหมมันหงุดหงิดได้เองอ็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเออเห็นบ่อยๆหน่อยก็แล้วกันต้องมีเครื่องอยู่นะสมาธิไม่พอ สมาธิยังไม่พองั้นจะอยู่กับลมหายใจก็ได้หายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจสบายๆหายใจแล้วถ้เห็นในตัวนี้หายใจรู้สึกไปเรื่อยๆจิตจะได้มีแรงทุกวันนี้มันเหมือนมันลงลงล ง, ลงเลยไม่รู้ว่าลกลับไปติดอะไรหรือเปล่านั่นแหละกลับมารู้ร่างกายหายใจไหมไม่งั้นเดี๋ยวหลงเว้ยเดี๋ยวไปดูจิตอย่างนั้นดูจิตแล้วมหลงไปในความว่าง ม, มันจะกลับไปว่างอีกใช่นจะกลับไปว่างก็กลับมาที่กายซะต้องขยับเยอะๆใช่ไหมเออเสลืนไหวไปขยับกายที่ดีนะคือทํางานบ้านดีกว่าเดินจงกรมอีกดีกว่ายัางไงเวลาทํางานบ้านอย่างน้อยบ้านก็สะอาดมากขึ้นแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ว่าเราว่าเอาเปรียบไปลองทาดูนนะทํางานบ้า น, นเนี่ยกวาดบ้านถูบ้าน ทำงานน้นทำงานนี้ถ้าเดี๋ยวช่วงปีใหม่ไปพักที่วัดก็แบบวัดที่จังหวัดอื่นก็ไปกวาดวัดเลยไปกวาดวัดแต่กวาดว่าต้องดูนะแต่ละวัดก็มีเวลาบางเวลาเนี่ยพระก็นั่งสมาธิกันเราไปกวาดแกล้แกลๆงเลยทำลายสมาธิเขาก็ยังเดินปัญญาได้ไหมครับยังคุ้งอยู่แตยังฟุ้งอยู่นะครับ คือตรงที่ใจมันไปหลงว่างอยู่นะมันฟ้องออกไปอยู่กับว่างนะมันไม่เดินปัญญาหรอกพยายามกลับมาที่กายไหมกลับเข้ามาย้อนเข้ามารู้สึกในร่างกายเรื่อยๆนะเนี่ยร่างกายพยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกวาดบ้านร่างกายถูบ้านอะไรทาไปเรื่อยๆอ่ะนมมัสการคะ่ะหลวงพ่อเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกคะ่ะก็ภาวนามาไม่กี่เดือนนะคะก็พยายามอยู่อืม สัง<อ>เกตัหมว่ากากับใจเป็นโคล่านค่ะก็พอเวลาเรามีความสุขอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราสุขคะ่ะแต่ว่ามันก็จะดับไปแต่พอเรามีความทุกข์อ่ะเราจะรู้สึกว่ามันยาวนานมากจนบางครั้งเราไม่ยินดีกับความสุขของเราบางทีเหมือนเราแบบไม่ค่อยอยากจะสุขมากคะ่ะยังติดอะไรเปล่าคะถ้าสุขก็ได้ก็ทุกข์ได้แหละของออมันคู่กันถ้าติดสุขก็ต้องเจอทุกข์เะฉะนั้นถ้าความสุขเกิดขึ้นจิตยินดีพอใจให้รู้ทัน ความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่พอใจให้รู้ทันรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วเราจะเห็นในะความพอใจความไม่พอใจชอบไม่ชอบเนะี่ยเกิดดับเกิดดับได้แล้วก็ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ขอพระคุณอยาไปทําเมานะ<อ>รู้สึกตัวให้มันเข้มกว่านี้นิดหนึ่งใจเบาไปขอเรียนถามหลวงพ่อนะคะเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกค่ะอขอเล่าปอะว ปันประวัตินิดนึงแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นค่ อ, อย่อๆนะค่ะเดี๋ยวเล่าตั้งแต่ชาติก่อนหนูเกิดหนูอย่างนี้ยาวไปไม่ไม่ใช่ค่ ะ, <น>ะเมื่อกลางปีนี้ค่ะส่งการบ้านกับคุณหมอนัดที่บ้านจิตคุณหมอนัดบอกว่าจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยช่วงกันยาตุลาค่ะหนูพบว่ามีความผิด ป, ปกติบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อวันที่สมพฤศจิกาก็ไปถามหมอนัดที่บ้านจิตอีกทีหนึ่งคุณหมอนัดบอกว่า ทำไมจิตส่งออกแบบนี้คือในช่วงเดือนกันยากับตุลาค่ะช่วงเดือนกระถิ่งนะคะหนูได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดเวลาอ๋อแล้วจิตหนูก็ไปฟังเสียงค่ะเลยอย่าไปตามมันไปใช่ค่ะหลวงพอ่อให้ให้เรารู้ทันจิตชอบรู้จิตไม่ชอบรู้รู้เข้ามาที่จิตเนี่ยมันเป็นพลังงานที่แกล้งเราใช่ค่ะนะมั น, นูเริ่งทราบเอ้พวกเดรัฉานวิชาวิชาพวกเนี้ย ทีนี้หลวงพ่อคะเมื่อวันที่3มพฤศจิกาจนถึงวันเนี้ยก็ยี่สิบวันนะคะหนูก็พยายามสู้ตอนแรกหนูก็สู้กับเขาอะคะ่ะเราก็ปรากฏว่าหนูเห็นแล้วว่าจริงๆจิตหนูก็ชอบเขาแล้วมันก็เป็นอย่างยืดเนื้อที่หลวงพ่อบอกให้ดูที่ชอบที่ไม่ชอบคือคเรื่องนี้แหละค่ะพบทั้งหลายเนี่ยจิตไปก่ออยู่เท่านั้นแหละ เรารู้ทันนะใจมันชอบเรารู้ทันมันก็หลุดออกมาค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นแล้วหนูจะเรียนถามหลวงพ่อว่าโอกาสที่หนูจะกลับไปที่จิตตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปน้ําได้เหมือนแต่ก่อนนะ่ะหนูจะำทำได้ไหมคะรูปน้ำแยกอยู่แล้วล่ะค่ ะ, ะมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะนี่พอใจเราไหลไปเรารู้ทันนะใจตั้งมั่นมามันแยกอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่า คือปกติก่อนหน้าเนี่ยค่ะหลวงพ่อที่สภาวะจิตตั้งมั่นนะคะหนูจะดูอยู่กับหัวใจเต้นหนูก็มั่นใจว่าน่าดูได้จนวันตายนนแน่เลยเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราจะตายเนี่ยหัวใจต้องหยุดเต้นตอนนั้นเราก็ค่อยหยุดดู <c oughs> ทีนี้ตอนช่วงที่จิตส่งออกนอกเนี่ยค่ะหลวงพ่อตอนที่มันหยุดเต้นเนี่ยเพิ่งหยุดดูนะมันยังไม่ตายตอนนั้นหรอคะโอ้มีดีเลยทามอีกนิดนึ่งค่ะคนะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นตอนนี้หนูจะจะดูจิต ดูหัวใจเต้นต่อไปได้ ไ, ดไหมคะดูหัวใจเต้นเห็นมันเต้นได้เองนะค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าใจเราเป็นคนดูดูไปด้วยนะใจจะมีพลังขึ้นถ้าใจมีพลังนะพลังงานแปลกปลอมนี้จะเข้ามาไม่ได้พอดีตอนนั้นหนูฟังแต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเห็นแสงโอภาษอะไรเงี้ยอย่าไปสนใจให้ดูที่จิตรู้ว่าชอบไม่ชอบแต่อเผอิญหลวงพ่อไม่ได้เตือนเรื่องเสียงอะคะ่ะหนูก็เลยไปฟังฟังเสียงนิมิตนะ คราวนี้เตือนหมดเลยค่ะนค่ะหลวงพ่อนิมิตเนี่ยมีได้หกช่องเลยนิมิตที่เห็นก็มีที่ได้ยินเป็นเสียงก็มีนะเป็นกลิ่นก็มีเป็นรสก็มีเป็นสัมผัสทางกายก็มีเป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจก็มีมีหกช่องเลยนิมิตทางกายเนี่ยยิ่งแปลกมากเลยหลวงพ่อเคยเจอเองเลยนะแปลกตอนนั้นเป็นนักศึกษาบวชอยู่วัดชวนประทานรู้จักไหมอยู่ปักเกร็ดนะ หลวงพ่อปัญญาแล้วก็ให้อยู่กุติใกล้ๆเมนไม่ใช่เมนะเป็นที่คอนโดผีอ่ะเป็นช่องๆนะอยู่ใกล้ๆนั่งๆสมาธิอยู่กลางวันนี่แหละโอ้ยมันเมื่อยมากเลยนะเมื่อยก็เหยียดขาออกไปหลังพิงข้างฟ้านะเหยียดขาก็ายังไม่เลิกนั่งสมาธินะนั่งอยู่เนียรู้สึกเหมือนคนมานวดให้แม็คใครมามากดเส้นลืมตาดูเนี่ยนะความแปลกก็คือ เนื้อเนี่ยบุมลงไปเป็นรอยนิ้วเลยใจเราก็ดูเฉยๆนะพอก็ปล่อยอู้เลือดวิ่งปลายขาเลยเอานวดเก่งเอาอีกเอาอีกนะเนี่ยนิมิตมีได้หมดเลยนะเช่นสัมผัสทางร่างกายยังมีเลยแปลกแล้วถ้าเจอนิมิตอะไรที่กลับมาที่จิตกลับมาที่จิตเท่านั้นใช่ไหมทั้งหลายนะเจอนิมิตแล้วกลับมาที่จิต <c oughs> จิต ด, ดีให้รู้จิตดีๆให้รู้ จิตกลัวรู้จิตชอบรู้อะไรเนะี<ะ>่ยอย่าเรานั่งสมาธิอยู่เห็นผีแบบปุ๊บเข้ามาตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปตกใจนะอย่าเพิ่งไปสนใจผีให้ย้อนมาดูจิตก่อนจิตกลัวดูไปปุ๊บความกลัวหายไปความกลัวหายไปเราส่งจิตไปดูใหม่ถ้ามันนั่งอยู่เราก็วิ่งได้เลย<ะ>เออถ้ามันเป็นนิมิต ท, ที่จิตสร้างขึมม้นมาเมื่อหายไปแล้วะ แ, แล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าที่ลูกกาลังแก้ไขยอยู่ ยังไม่ถึงฐานนะคะจิยังไม่ถึงฐานแต่ว่าที่ปฏิบัติอยู่ถือว่าเริ่มเริ่มดีขึ้นตรงที่ว่าพลังของจิตเนี้ยเริ่มกลับมาแล้วค่ะตอนนี้ลูกดูกายค่ะพยดูกายให้มากกลับไปเบสิกนั่นแหละอย่าทิ้งเบสิกอย่าทิ้งเบสิกนะคะไม่ว่าจะพอน่าเก่งแค่ไหนจำไว้นะเรื่องเนี้ยอย่าทิ้งเบสิกค่ะเบสิกของแต่ละคนดีสําหรับตัวเราเองค่ะขอบพระคุณมากค่ะหลวงพ่อคนสุดท้ายแล้วผู้มีความทุกข์นาน เวลารอที่ทุกข์มากนะกับมัสการหลวงพ่อค่ะก็เพิ่งตั้งใจปฏิบัติมาประมาณ3เดือนนะคะก็ได้ฟังฝายเสียงหลวงพอ่อก็ปฏิบัติในรูปแบบคือสวดมนต์ลแล้วก็นั่งกรรมฐานนะคะปกติก็คือในช่วงเวลาเวลาระหว่างวันเนี่ยก็จ ะ, ะรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วรู้รู้ทีหลังนะคะรู้ตาม บ, บ่อยขึ้นรู้ได้รู้ได้ไวขึ้น พอพอในช่วงปฏิบัติช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยก็จะสามารถเห็นสภาวะหรือในช่วงระหว่างวันก็พอจะเห็นสภาวะที่เกิดแล้วก็เกิดดับได้ก็เลยตอนนี้คือเด๋ยนหะน้าหนูพ่อพอเวลานอกเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยเวลาดูสภาวะอย่าให้ใจมันเคลื่อนออกไปนะนี่ ใ, นใจมันถล่มลงไปดูนะอ่ะว่าไปก็จากนี้เนี่ยหนูตั้งใจออ ในส่วนของหลวงพ่อแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนขององค์พระศาสดาเนี่ยจากนี้ก็คือเห็นแล้วว่ามรคนิพพานเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็ตั้งใจจริงว่าจะไม่ทิ้งเราก็เอาให้ได้เท่าที่ได้มากที่สุดค ะ, ะ<ำ>ก็อยากทําเหตุนนะทําเหตุให้เต็มที่เลยลนักษาสีลฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูธาดูขันธ์ทํางานไปส่วนจะได้ผลแค่ไหนเมื่อไรไม่ใช่เรื่องของเรา มันไม่มีเราหรอกถ้าอยากได้เร็วๆเดี๋ยวยิ่งช้าใหญ่ทำเหตุแล้วผลมาเองถ้าจะเอาผลจะยิ่งช้าใจร้อดขี้มโมโหด้วยนะอนดูสภาวะไปนะโกลัขึ้นมาก็รู้หงุดหงิดขึ้นมาก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆดีแล้วละถ้าหนูไม่ฝึกกรรมฐานนะหนูก็เป็นคนที่น่ากลัวคนหนึ่งนะ <laughs> เป็นคนเอาเรื่องเลย <laughs> ใช่ <laughs> ไหม ใช่ค่ะท้ายขอความตั้งใจในการปฏิบัตินี้ถวายเป็นพุทธบูชาต้องอย่างนั้น<อ>สิที่จริงพวกใจนักเลงต้องเรียกใจนักเลงนะมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือลงตั้งใจจะทําอะไรนะทําจริงพวกใจสุภาพชนเนี่ยเรียกสุภาพนะที่จริงพวกโูกเลไม่จริต้องเด็เดี่ยวสู้ไปแต่หลวงพ่อมองภาพรวมแล้วถือว่า พวกเราโดยภาพรวมนะใช้ได้แระทั่งพวกที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อ็ภาวะที่พวกเรารู้เราเห็นนะนันํำเราไปสู่การพัฒนาคุณภาพของจิตต่อไปความทุกข์มันจะสั้นลงความทุกข์มันจะน้อยลงโลกนี้ทุกโลกนี้ไม่มีสุขหรอกโลกนี้ทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วพอใจเราฝึกดีแล้วนะใจไม่ไม่ทุกข์งั้น รักษาจิตเรามีสติมีปัญญาคุ้มครองรักษาจิตสิทตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้เราจะมีความสุขท่ามกลางความวุ่นวายอย่างนี้แหละเราอย่าไปหวังเลยว่าเมืองไทยจะเจริญหวังยากหวังว่าจะสงบจะสบายหวังยากผู้คนมันเยอะน า, นานาจิตตังนะงั้นเราฝึกของเราให้ดีไปก่อน ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็มีความสุขได้มีโอกาสใครก็สนใจเราก็บอกเขาไม่มีโอกาสก็แล้วไปบางคนภาวนาผิดนะภาวนาแล้วมันเป็นมิปั ส, สุนูเจอใครแล้วมันอยากสอนหมดเลยถ้าถ้าเกิดอาการอย่างนี้ให้รีบมาปรึกษานะ <c oughs> เอาละพอสมควรแก่เวลาต่อไปก็รับพรนะครับ ยถ า, าวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคขรงังเอวเมวายโตทินงังเปตานางุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวัสมิ ช, ชตุสเพปุเรนตูสังกปาจันโทพันรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสพีตโยวิวัตฉันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคาโยโกภวะ อาพิวาธนาศีลิสนิจังมุทาปจายโนจัตตารโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังยกข้าวันุกัน อ, อนุโ ม, มทนานะกับทางกิมงานทางมูลนิธิที่อาจารย์มนักนี่รู้จักมาหลายสิบปีแล้วทำประโยชน์นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศตั้งแต่สองห้าละมั้งนะสองห้าีสองห้าสองห้านะ นานละจนถึงป่านนี้เดี๋ยวปัจจัยที่ถวายหลวงพ่อนะต้องปัจจัยเททานุพ่อขอมอบให้ทางมูนิที่นะขอจันมนัดได้ใช้ประโยชน์พาด้วยนะจันเอาไปใช้ประโยชน์หลวงพ่อมีละยังยังใช้ได้อยู่